จะกลับรู้จะเป้าหมายของชีวิตหรือยังอะฮะรู้จะเป้าหมายของชีวิตหรือยังตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าคืออะไรต้องให้มันชัดนะเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางของทุกชีวิตที่ก่อเกิดขึ้นมาเป็นชีวิตแล้วคืออะไร ในทางพระพุทธศาสนาหรือตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเป้าหมายต้องไม่มีทุกต้องไปถึงความไม่มีทุกนะถึงจะตรงกับพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ใครพูดถึงความไม่มีทุกความพ้นทุกเนี่ยโอ้โหเหมือนกับห่างไกลเหลือเกินเหมือนกับมันต้องสมัยพระพุทธเจ้านุนลมะ มันต้องเป็นนางวิสาขาอนาถาปินติกะหรือว่าพระเทระทั้งหลายเ อ, อ้อสมัยนี้โอ้ยมันต้องตามกิเลสจริมันจะถูกอยากอะไรก่อไปสแสวงหาดินโลนลืมไปเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ลืมไปว่าเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรชีวิตต้องการอะไรเนี่ยเป็นว่าหลงจนไม่รู้ว่าชีวิตของตัวเองมันต้องการอะไรกันแน่ก็เลยพากันดิ้นรนกันอยู่วิ่งไปตามกระแสของโลกตามกระแสของสังคม ลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สนใจคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเลยเหมือนกับว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกลับไปเลยนะเป็นเรื่องของพระที่อยู่ในป่าในเขาเป็นเรื่องของคนอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่เรื่องของแต่ละคนนะไม่ใช่เรื่องของตัวเองไปเลย นี่คือห่างไกลคำสอนของพระพุทธเจ้ามากจนมองไม่เห็นความสำคัญของคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันจะมีประโยชน์ต่อจิตใจของตัวเองยังไงเพราะจิตใจมันหลงตามกระแสของโลกไปหลงวัตถุพากันคิดว่าได้เงินมากมากจะมีความสุขได้ทองหรือได้ข้าวได้ของ ได้ลาบได้ยศได้ชื่อเสียงมีอำนาจมีบริวารเนี่ยต้องย้ำกันให้ชัดมันจะได้เข้าไปในจิตใจจะได้รู้ว่าชีวิตต้องการความสุขความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันไม่มีทุกข์ทุกน้อยลงไปสุข ก, ก็มากขึ้นทุกน้อยลงไปเท่าไรสุข ก, ก็มากขึ้นเท่านั้น ถ้าทุกไม่มีจึงเรียกว่าบร ม, มสุขไอ้การที่พ้นทุกการดับทุกการไม่มีทุกขในจิตใจเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของแต่ละคนมันต้องเอาเข้ามาให้มันชัดเจนในจิตของเราลองคิดดูสิเวลาจิตของเรามันสงบมันสบายเนี่ย ความทุกข์ที่มันเคยมีมันเบาบางไปหรือมันดับไปเนี่ยเรายังสุขขนาดนี้เรายังสบายขนาดนี้ถ้าเกิดมันดับไปเลยมันหมดไปเลยมันไม่ก่อเกิดเป็นความทุกข์ภายในใจิตใจของเราเนี่ยชีวิตมันจะมีความสุขขนาดไหนมันจะสบายขนาดไหนมันจะเบาขนาดไหนมีถ้าใครคิดได้เปรียบเทียบได้อย่างนี้ อันนี้เรียกว่ามีบุญมากเลยล่ะจึงเข้าใจได้จึงมองออกไม่ใช่มองออกด้วยความคิดนะมันเข้าไปเห็นสภาวะรองรับด้วยเออจริงใจสงบความปุงแต่งน้อยลงไปเบาลงไปหรือว่าขาดไปจิตใจมีความสุขความสบายขึ้นมาได้จริงๆ พอมันคิดปรุงแต่งอีกมีเรื่องมีราวเข้ามากุ้มลุ่มจิตใจอีกเป็นทุกข์ได้อีกก็เห็นอีกว่าอ๋อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลามันมีทุกข์ขึ้นมามันไม่สบายมันกุ้มลุ่มจิตใจมันบีบคั้นจิตใจพอสิ่งกุ้มลุ่มเนี่ยดับไปหายไปอีกเอาสบายขึ้นมาอีกแล้ว มันก็พอรู้สิว่าอ๋อถ้าความทุกข์มันดับไปเนี่ยความสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นความสบายเกิดขึ้นเราเข้าใจจุดมุ่งหมายของชีวิตเราว่าเราจะต้องหาทางทำให้ความทุกข์น้อยลงไปเพื่อให้ความสุขมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จนกระทั่งไม่มีความทุกข์ถ้าใครมีความเห็นอย่างนี้นี่แหละตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังเชื่ออีกว่าทุกคนทุกชีวิตจะต้องไปถึงความดับทุกข์ตราบใดที่ยังมีทุกข์อยู่จะต้องพยายามดิ้นรนเพื่อออกจากทุกข์ คือไม่ว่าคนเราดิ้นรนทําอะไรก็แล้วแต่ผนขวายทําอะไรก็แล้วแต่ต้องการอะไรก็แล้วแต่เขาต้องการความสุขคือคิดว่าได้อันนั้นแล้วจะมีความสุขเป็นอย่างนั้นแล้วจะมีความสุขไปดูแล้วจะมีความสุขได้มาแล้วจะมีความสุขก็คืออยากได้ความสุขนั่นแหละแต่ว่าไปหลงเข้าใจผิด ต้องได้อันนั้นได้อันนี้จริงจะมีความสุขแล้วก็ไปยึดที่นี่ที่แรกคิดว่ามันจะมีความสุขต่อมาหลงไปเลยนะต้องได้เงินมากๆจริงจะมีความสุขได้วัตถุมากๆจะมีความสุขรั่วได้ตามความอยากความต้องการลาบยึดสันเริญบริษัท บ, บริวารอำนาจเนี้ยไปเรื่อยเลยไม่มาสนใจ ดับทุกภายในจิตใจแต่คําสอนของโมเดจาวมุ่งเข้ามาดับทุกภายในจิตใจอยากเป็นพระเนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายเหมือนกันเพื่อจะดับทุกปฏิบัติตามธรรมตามวินยัยก็มุ่งมาเพื่อดับทุกภายในจิตใจรักษาศีลรักษาวินัยต่างๆก็เพื่อดับทุกภายในจิตใจ ถ้ารักษาทรรมวินัยแล้วมันเป็นทุกข์เนี่ยแสดงว่ามันผิดมีความคิดเห็นที่ผิดมีความเข้าใจที่ผิดเป็นการรักษาศีลรักษาธรรมวินัยแบบผิดๆเป้าหมายของการที่มีข้อวัดปฏิบัติมีธรรมมีวินัยเนี่ยเพื่อเดินทางไปสู่ความดับทุกข์ไม่ใช่ให้ตัวเองเป็นทุกข์ เดือดร้อนวุ่นวายขึ้นในจิตใจอันนี้แสดงมีความยึดมั่นถือมั่นมีความลูกคลาในข้อวัดปฏิบัติเหล่านั้นไม่เข้าใจถูกต้องไม่เข้าใจจริงไม่รู้จักเป้าหมายของการปฏิบัติตามคำสอนของมุนีเจ้าไม่รู้ว่าการที่มีวินัย มีข้อวัดปฏิบัติก็เพื่อให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปหาความดับทุกข์ไม่ใช่ให้เป็นทุกข์ให้ข้อวัดปฏิบัติให้พระวินัยต่างๆเนี่ยสี่ขาบทน้อยใหญ่เนี่ยมันเป็นกรอบให้เราเดินทางได้ถูกต้องปฏิบัติไปแล้วจิตใจของเราเนี่ยมันเบิกบาน มันมีความสงบมันมีความอิ่มใจมันมีความสุขใจแล้วใจก็เป็นสมาธิถ้าอย่างนี้มันถูกนะแต่ถ้าหากว่าข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยทำไปแล้วมีแต่ความกังวลมีแต่ความว้าวุ่นมีแต่ความเดือดร้อนนี่มีความเห็นผิดแล้วรูปคำแล้วยึดมั่นถือมั่นแล้ว หรือบางคนยิ่งถือไปยิ่งมีทิฏฐิมานะมากโหยิ่งผิดไปใหญ่เลยนะเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วก็ออปรับเข้ามาว่าสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เรามีสติเพื่อให้รักษาจิตใจของเราให้มีความสงบระงับให้มีความสารวมเพื่อให้จิตเนี่ยมันเป็นปกติเป็นศีลขึ้นมาในใจ ปฏิบัติตามสี่ขาบทต่างๆเนี่ยเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจให้เป็นปกติจงรทังจิตเป็นสมาธิจงกระทั่งจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นพรเป็นแม่ชีก็ต้องเหมือนกันมันก็ตามฐานะของเราเปรียบเทียบเอาเอาเข้ามาขัดเกลาตัวเองให้มันตรงกับคาสอนของเจ้าตรงทาง ของการปฏิบัติยมก็ต้องตามฐานะตามสาภาพของตัวเองอยู่ในวัดก็ต้องอย่างหนึ่งถอไปนอกวัดจะให้มันเหมือนอยู่ในวัดจะให้เหมือนพระเหมือนแม่ชีก็ไม่ได้เพราะเราไปอีกฐานะหนึ่งแล้วมันก็ต้องเอาเต็มที่ของเราเท่าที่จะได้นั่นแหละแต่พยายามมาเ อ, อือ ทุกรียบทจะพยายามให้เป็นการปฏิบัติธรรมพยายามเจริญสติพยายามเอากิจกรรมต่างๆนั่นแหละมาเป็นเครื่องมือฝึอกสติฝึกจิตใจเราการดำเนินชีวิตของเรามันก็เป็นการปฏิบัติธรรมขึ้นมามีถ้าเข้าใจถูกต้องล่ะ เหมือนกับปัญหามันก็ลดลงไปน้อยลงไปพอทุกคนจะมีการสำรวมระวงังพยายามมีสติรักษาจิตใจของตัวเองการกระทํามันก็มีสิขาบทรองรับก็คือศีลเป็นข้อขอนั้นแหละจริงๆมันคือสิขาบทคือข้อปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องนํามาประพฤติปฏิบัติ ต่อมามันก็ผิดความเข้าใจผิดก็เกิดขึ้นว่าศีลเนี่ยมันเป็นข้อข้อแล้วก็อยู่เป็นตัวหนังสือมันก็เลยไม่ลึกซึ้งเข้าไปถึงใจศีลจริงๆมันต้องเป็นศีลที่อยู่ในจิตใจจิตใจที่มีสติวควบคุม แล้วก็มีจิตใจเป็นปกติเนี่ยมันจะไหลไปทางนูน้นทางนี้รู้ทันมันกระทบอารมณ์แล้วมันจะปรุงแต่งสร้างเรื่องสร้างเราขึ้นมาเรารู้ทันนี่คือเป็นศีลแล้วเพราะั้ศีลจริงๆเข้ามาเป็นสติสัมปชัญญะรักษาใจเราไว้ได้จนกระทั่งจิตใจเป็นสมาธิมันยังเรือศีลสมาธิ จิตตั้งมั่นแล้วมันเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดามันจึงเป็นปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงคือเกิขึ้นตั้งอยู่ดับไปศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ที่ใจของเราคำสอนของพระเจ้าท่านถึงว่ามีสิกขา เป็นอานิสงสิขาก็คือนี่แหละศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าไตรสิขาสิขาคือแปลว่าศึกษาไตรแปลวา่า3การศึกษา3มอย่างก็คือศึกษาให้มันเกิดศีลขึ้นที่ใจเกิดสมาธิขึ้นที่ใจเกิดปัญญาขึ้นที่ใจ สรุปแล้วคำสอนของโเจ้าต้องศึกษาด้วยใจให้มันเกิดขึ้นที่ใจมีถ้าว่าใครรู้ทางเข้าใจพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าว่าต้องพยายามที่จะ ด, ดับทุกพยายามให้ทุกน้อยลงไปให้สุขมากขึ้นจนกระทั่งทุกหมดไปสิ้นไปนี่ถ้าเข้าใจอย่างเนี้ย เป็นคนโชคดีมากเลยนะจะเรียกว่าเป็นคนมีบุญก็ใช่นะเป็นคนมีปัญญาก็ใช่คืออย่างน้อยมันก็ขยับตัวเองขึ้นมาแต่ก่อนเนี้ยเราไปคล้อยตามไอ้ความเห็นของสังคมกระแสของสังคมมุ่งไปแก่งแย่งกันหาเงินหางานหาข้าวหาของอะไรอย่างนั้น คือมันจำเป็นจะต้องหาแต่ให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเอามาเป็นปัจจัยเครื่องสนับสนุนให้เรามีชีวิตอยู่แล้วสามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้สะดวกเพื่อให้ความทุกข์น้อยลงไปให้ความสุขมันมีขึ้นมาอันนี้มันกลายเป็นไปยึดไปติดไปคล้องเลยนะ กายเป็นว่าวัตถุนะมันมีความสำคัญมากเป็นเป้าหมายของชีวิตเลยอ่ะมีเยอะนะหลงผิดไปเลยอ่ะมวัตถุนี่มีความสำคัญเป็นเป้าหมายของชีวิตตื่นขึ้นมาก็ต้องวิ่งไปทำงานหาเงินหาเงินก็คุ้นคิดอยากได้เยอะๆอยากได้มากๆเพื่อไปซื้อสิ่งที่ต้องการ หรือไปแสวงหาสิ่งที่มาบำลงบำเลอความอยากความต้องการคิดว่าทําอย่างนั้นแล้วมีความสุขอ๋อหลงกันมากนะแม้แต่คิดว่ากินเหล้าแล้วถึงจะมีความสุขก็บางคนไปกินเหล้าเนี่ยเสพยาบ้าแล้วจะมีความสุขก็ไปเสพยาบ้าทําร้ายตัวเองไม่รู้ตัวนะนี่คือความหลงนะ ถ้าหาว่าเข้าใจถูกต้องเออเราได้การในงานได้เงินเอามาดำเนินชีวิตมีเครื่องอำนวยความสะดวกก็เพื่อให้ตัวเองเนี่ยปฏิบัติธรรมได้สะดวกเจริญสติได้สะดวกพัฒนาจิตใจของตัวเองได้สะดวกให้ความทุกข์มันดับไปได้ง่าย ความสุขมันจะได้เพิ่มขึ้นสติปัญญามันมากขึ้นรวมกับละคลายความลุ่มหลงละคลายความยึดมั่นถือมั่นมีปัญญาขึ้นมาความทุกข์จางคลายไปเพราะมีปัญญานี่มันจะคลายวางเป็นปัญญาที่มันเห็นด้วยจิตนะมีสภาวะรองรับด้วยจิตเป็นสมาธิ เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันมีแต่ความเปลี่ยนแปล ง, งนี้จิตจะคลายออกคลายออกอยู่เรื่อยไปเนี่ยปัญญาแบบนี้ไม่ใช่ปัญญาไปอ่านมากมากรู้มากมากเป็นวิชาการเป็นประวัติศาสตร์เป็นทฤษฎีอย่างนั้นแต่ในใจเนี่ยมันไม่ได้สัมผัส ความจริงที่ลึกซึ้งภายในจิตใจอันนี้มันไม่สามารถคลายวางอะไรได้บางคนพอมีความรู้ ม, มากกลายเป็นทิฏฐิกลายเป็นมานะไปนะฉันรู้มากเคยสมัยเป็นคราวาสทางานอยู่ก็ไปปฏิบัติทีปฏิบัติก็มีวันหนึ่งนั่งสมาธิไปเราก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่นั่งไปจิตมันก็ สงบไปตั้งมั่นขึ้นมาอยู่ดีๆทุกอย่างมันเป็นขึ้นมาเองมันก็ดูเฉยๆอย่างลมเนี่ยมันไม่ใช่ลมหายใจมันก็ไหวๆๆของมันเราก็ดูอยู่จิตมันก็ว่าขึ้นมาว่าอ๋อนี่เองอนัตตานะไม่ใช่เรานะ่ะมันเกิดความรู้ขึ้นมาในจิตเนี่ยจิตมันว่าขึ้นมาเราก็นั่งอยู่ทุกอย่างมันก็เหมือนกับว่าเราก็ดูอยู่เฉยๆ มันก็เห็นทีว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นมันเป็นอนัตตาไปทุกอย่างก็เกิดเองดับไปเองอะจิตเห็นอะ่ะแต่มีความเข้าใจตรงนี้เกิดขึ้นในจิตว่าเออนี่เองอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเบาทีนเข้าใจขึ้นมานะว่า เ, ออเรามาปฏิบัติธรรมเนี้ยก็เพื่อเข้ามารู้มาเห็นอย่างนี้ เดินก็เบานั่งก็เบารู้สึกเบิกบานใจก็พอดีหมดเวลาแล้วกลับไปก็มีผู้บังคับบัญชาท่านก็ถามเนี่ยไปปฏิบัติธรรมได้อะไรบ้างเราก็นึกถึงแต่ตรงนี้นะโอ้ก็เห็นว่าไตรลักษณ์ก็ต่อไปแบบนี้ผู้บังคับบัญชาก็สวนมาเลยนะอเผอิญเป็นผู้หญิงฉันก็เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา เราก็ไม่พูดเพราะรู้แล้วว่าอันนั้นมันเป็นความรู้มันเป็นความคิดมันไม่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในจิตนี่แค่เห็นแค่นี้นะก็ยังเบายังสบายขนาดนี้มันก็ติดอยู่ในใจแล้วโอ้แล้วเราเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ยังไงกันเนี่ยเราจะเดินไปทางโลกตามกระแสะโลกอย่างนี้ หรือว่าเราจะไปหาทางที่จะดับทุกข์ภายใ น, ในใจิตใจกันดีนั่นทีนี้มันหันมาแล้วนะเพราะก็มันเห็นน่ะมันเห็นผลแล้วเนี่ยมันฝังอยู่ในใจแล้วเหมือนแสงสว่างเนี่ยมันเข้ามาอยู่ใน ใ, นใจอ่ะชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนนะทีนี้มุมมองของชีวิตอ่ะแทนที่จะดั้นด้นเดินตามกระแสของโลกอย่างเดียวมันก็ไม่เอาแล้ว มันเตือนอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าเดินตามกระแสของโลกเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดมันมีแต่ความอยากความต้องการสุขที่ได้มาก็คือมันสมอยากนั่นแหละพอมันพอใจอะไรสักอย่างก็ตื่นเต้นพอใจขึ้นมาแล้วก็หายไปสแสวงหาสิ่งใหม่อีกเพื่อให้เกิดความพอใจความตื่นเต้นพอใจ แล้วก็แสวงหาอีกไม่มีที่สิ้นสุดเลยเข้าใจเลยโอ้เป็นอย่างนี้เองแต่ทางหนึ่งนั่นคลายวางออกไปคลายวางออกไปจิตเป็นอิสระอิสระภายในนะไม่ใช่ว่าออกมาแล้วไม่ทำอะไรฉันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยจิตของฉันไม่ไปยุ่งอะไรเลยเข้าใจผิดจิตมันเข้าไปรู้แจ้งเป็นอิสระคลายวางแล้วออกมา ทำกิจการต่างๆทำการทำงานด้วยจิตใจที่คลายวางอันนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ยังดำเนินไปยังทำนู่นทำนี่ตามความเหมาะสมแต่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะปัญญาเรามันเกิดขึ้นแล้วข้างในมันเข้าไปรู้แล้วมันเป็นอุเบกขาแล้วมันคลายวางแล้วมันไม่ยึดไม่ติดไม่ก่องแล้ว แต่ข้างนอกเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับโลกยังต้องดำเนินชีวิตต่อไปถ้าเป็นโยมก็ต้องมีการมีงานมีหน้าที่ตามความเหมาะสมแต่จิตที่มันมีปัญญาแล้วเนี่ยมันก็จะรู้จักว่าตัวเองเนี่ยควรจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข มันจะไม่มีทุกข์อีกดอกใบแล้วมันไม่อยากเอาหรอกทุกข์มันก็ต้องมาดำเนินเพื่อให้ชีวิตตัวเองเป็นสุขแล้วก็สามารถทำประโยชน์ไปได้เนี่ยความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีถ้ามันไปถึงจุดของมันจริงๆความเห็นแก่ตัวไม่มีมีแต่ความเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่คนอื่นนี่ถ้าหาว่าเราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจเรามันก็ต้องเกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตก็ต้องเกิดขึ้นอย่างน้อยความรุ่มหลงอย่างเก่าๆอย่างที่มันเคยครอบงำที่มันเคยกุ่มลุมเราอ่ะมันก็ต้องเบาลงสิทามาปฏิบัติหรือมาอยู่วัดแล้วยิ่งมีแต่ไอ้เรื่องเรามันกุ้มลุมเนี่ยแสดงว่าปฏิบัติผิดนะ้ววางใจผิดแล้ววางใจไม่ถูกต้องแล้ว การกระทำก็ไม่ค่อยถูกต้องแล้วการปฏิบัติผิดแล้วการที่วางธาตุอีภายในจิตใจอ่ะผิดไปแล้วเนี่ยมีความเห็นที่ผิดไปแล้วทิฏฐิอ่ะผิดไปต้องเข้าใจให้มันตรงถูกต้องมันจึงเป็นไปเพื่อการมีสติควบคุมจิตใจแล้วมันก็ต้องขัดเกลาด้วยเพราะอะไรเพราะพระเจ้าบอกว่า มีความเพียรมีความเพียรในเพียรเพื่อเผากิเลสให้เล่าร้อนด้วยเพราะจิตของเราเนี่ยมันมีความอยากความต้องการอยู่มากพอมันเคยชินกับการตามกระแสของกิเลสอะตามกระแสของโลกอะทีนี้เรามาปฏิบัติต้องไม่ได้มาฝืนสิทีนี่นั่นแหละฝืนได้ก็มันก็เล่าร้อนกิเลสเล่าร้อนนะถ้าเราฝืนไม่ได้อะกิเลสมันทำให้เราเล่าร้อนเล่าร้อนตามมั น, นะสิ มันก็เลยจูงเรานะเหมือนบัวเหมือนควายเลยบีบคั้นจิตใจของเราไม่ทำตามมันก็ไม่ได้มันเป็นทุกข์เนี่ยคือกิเลสมันมีกำลังมันเผาเราให้เราร้อนถ้าจิตเรามีกำลังเราไม่เอาต้องหาทางหาความพอดีอันไหนเป็นส่วนเกินเราต้องพยายามตัดออกแล้วที่นี่ นัน่นถ้าจะเดินตามทางของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะต้องมีความเพียรเผากิเลสถ้าเราร้อนอันไหนเป็นส่วนเกินไม่เอาแล้วทีนี้เนี่ยมันไม่พอดีแล้วมันมากเกินไปแล้วต้องหาความพอดีให้แก็บตัวเองมีความเพียรเผากิเลสให้เราร้นมีสติสัมปชัญญะต้องมามีสติรู้รู้ตัว ควบคุมจิตไว้ได้มีสัมปชัชญะก็คือมีเริ่มมีปัญญาแค่เห็นว่าเออจิตออกไปนี่ยมันไม่สบายจิตอยู่เนี่ยมันสบายมันก็จะพยายามให้จิตอยู่ข้างในงที่นี่ไม่จิตออกไปไหนนี่ก็มีสัมปัญญะหรือบางทีมันมีอะไรกุ้มลุมแต่ว่ามันดับไปใจเบิกบานขึ้นมามันก็เห็นแล้วว่าเออสิ่งเหล่านี้มันเกิดแล้วก็ดับพอมันดับไปแล้วเนี่ย ใจเราเบิกบานก็ได้เพราะฉนั้นเวลาฝึกไปฝึกไปเนี่ยท่านจึงเรียกว่าโอปะณียโกมันน้อมเข้ามาเพื่อให้เกิดประโยชน์แ ก, ก่จิตใจของเราเป็นธรรมะขึ้นในใจของเราเห็นคนตายแทนที่มันจะไปร้องไห้ฟูมฟายเสียอกเสียใจมันก็น้อมเข้ามาว่าเออเราเนี่ยสุดท้ายก็ต้องแต่ดับสลายไปเหมือนกันมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดา คนที่ร้องให้ฟูมฟายเสีย อ, อกเสียใจก็คือความหลงความโง่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจความจริงกันเลยไม่ยอมรับความจริงเลยนั่นแหละคือจิตใจที่โง่ที่หลงอ่อนแอไม่มีสติสัมปชัญญะขาดปัญญาถ้ามีปัญญานี่ตายปับ๊บมันรู้เลยไม่ว่าใครก็ช่างอ๋อทุกชีวิตมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เอง เกขึ้นตั้งอยู่ต้องดับไปแตกดับสลายไปไม่มีใครฝืนได้ไม่มีใครอยู่เหนือกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้ไม่ว่าเป็นลูกเราพ่อเราแม่เราสามีเราพันยาเราญาติเราคนใกล้ชิดเรามันจะคลายออกที่นี่มันจะไปเสียใจให้งูทำไมอ่ะไปเศร้าโศกให้งูทำไมก็ในเมื่อมันฝืนความจริงไม่ได้ สุดท้ายเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันผมันต้องสอนจนกระทั่งจิตเราไม่หวั่นไหวกับเรื่องเหล่านี้นะต้องย้ามันอยู่เรื่อยเนี่ยมันถึงจะไม่มีทุกข์ดังคําสอนของพระเจ้าจึงเป็นไปเพื่อให้ความทุกข์น้อยลงไปมันจะต้องมีความเข้าใจขึ้นมาด้วยมีปัญญาเกิดขึ้นด้วยจนมันลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจนู้น พอเรามาศึกษาคำสอนของมุนสเช้ามันจะมองเห็นความโง่ของตัวเองได้ชัดเลยนะเรื่องที่ไม่ควรทุกข์มันก็ทุกข์แต่ถ้าากว่าเรายอมรับว่าบางทีจิตเรายังไม่เข้มแข็งปัญญาเรายังน้อยพอมันเศร้าโศกเสียใจพอมีปัญญาขึ้นมาปับ๊บยอมรับความจริงขึ้นมาเนี่ยตัวนั้นดับไปมันกลายเป็นธรรมะขึ้นมาอีกนะ เนี่ยมันคือเรียกว่ามันมีอาวุธมันก็เลยเอาสิ่งที่มันเข้ามาครอบงำจิตใจเรานี้หละเป็นเครื่องมือฝึกจิตใจเราเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันเราจะอยากให้มันราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรแต่ตามที่เราคิดอะ่ะเหมือนอยากให้มันโรยด้วยดอกกุหลาบราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น พะเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็มีกิเลสะ่ะสิ่งแวดล้อมคนอื่นเขามีจิตใจเขาก็มีกิเลสเหมือนกันทีนี้เมื่อต่างคนต่างใช้กิเลสเนี่ยกิเลสมันก็มีความโลภความโกรธความหลงะมันก็แสดงออกมามันก็กระทบอารมณ์กันอยู่เรื่อยอเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเนอนอกจากว่าใครมีธรรมะ ก็ต้องมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมด า, าเห็นไหมมองเห็นเป็นธรรมดาอีกนะมันรู้เลยว่าอ๋อนอกจากคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมารู้ความจริงแล้วจิตคลายวางออกไปแล้วความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไปแล้วปัญหาก็จะน้อยลงไปด้วยถ้าตาบใดที่ปฏิบัติมันยังไม่มีปัญญาจิตยังไม่คลายวางอยังไงยังไงกิเลส ก, ก็ยังเต็มร้อยอยู่อ่ะ เวลากระทบอารมณ์ก็ใช้กิลเลุถ้าวัาโทสะมันขึ้นมามันก็โกรธเผลอๆทำร้ายเราก็ได้ทำร้ายคู่กรณีก็ได้ชอบใจขึ้นมาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็สร้างปัญหาไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเนี่ยถ้าหาว่าเราเข้าใจถึงสาเหตุของมันอะที่มันจะทำให้เป็นทุกข์ เ็า พ, พอมีช่องทางจะแก้ไขข้าหนึ่งภาษาลบุตรก็มีพระมาเยี่ยมท่านที่สำนักของท่านท่านก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาท่านทั้งหลายเอส ม, มาี่ที่นี้คืออะไรพระก็บอกว่าที่พวกข้าพเจ้ามาวันนี้ก็ต้องการที่จะมาได้ยินได้ฟังเรื่องนี้แหละ ว่าไอ้สัมมาทิที่จริงๆนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรภาษาลิบุตรก็บอกว่ามีหลายในนะแต่ในแรกเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็คือรู้ว่าอะไรเป็นอกุศลอะไรคือหลักเงาอากุศลแล้วก็ต้องรู้เหตุเกิดของมันรู้ว่ามันดับไปยังไง ร, รู้วิธีที่จะดับอกุศลเหล่านี้ด้วย แล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นรากเหง้าของกุศลรู้เหตุของมันเหตุเกิดของมันรู้ไอ้ความดับของมันแล้วก็รู้ทางที่จะดับทุกข์ดับพวกนี้ดับทั้งอกุศลดับทั้งกุศลด้วยนะรู้แล้วปฏิบัติแล้วก็คือมีมรรคมีองศาเนี่แหละคือปฏิบัตินี่แหละ ปฏิบัติจนกระทั่งเข้าไปเห็นพวกเนี้ยเกิดขึ้นในจิตใจของเรามีผัสสะเกิดขึ้นถ้าอกุศลเกิดขึ้นถ้ามีสติรู้ทันมันมันก็จะดับถ้าไม่รู้ทันมันเนี่ยมันก็จะมีผลต่อจิตใจ ทั้งกุศลทั้งอกุศลแหละถ้าเห็นพวกนี้มันเกิดดับเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจนกระทั่งพ้นทุกข์ได้ท่านบอกนี่แหละคือสมาธิข้อที่หนึ่งเพราะฉนั้นสมาธิจริงๆเนี่ยก็คือปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดจนกระทั่งพ้นทุกข์ได้จึงเป็นสมาธิที่บริบูรณ์สมบูรณ์ มันก็อยู่ในจิตเรานี่แหละถ้าหาว่าเรามีสติมันก็ต้องเห็นสิวันนี้จิตเราเป็นยังไงความโลภเกิดขึ้นบ้างไหมความโกรธเกิดขึ้นบ้างไหมความลุ่มหลงรุ่มหลงก็คือมันมันวนวนเวียนเวียนมันไม่ชัดเจนอะ่ะมันมัวมัวอยู่ในจิตไม่รู้อะไรเป็นอะไรอะ่ะคุมเครือไม่แจ้งไม่ชัด รู้ว่าเป็นอะไรวายกุศลอย่างเราได้ทำความดีอย่างนี้เออได้ช่วยวัดช่วยวาสนาเออใจมันก็เบิกบานแต่เราไม่ได้ติดไม่ได้ข้องตรงนี้เรามีสติรู้สติก็คุมจิตได้ง่ายจิตก็เป็นสมาธิที่ทำดีทำอะไรก็เพื่อจิตเรานะ ชำระจิตเรามันมีผลต่อจิตเรามันมีคุณค่าต่อจิตเราจิตเรามีความสุขความสบายมีความเบิกบานลื่นเลิง่งบันเทิงสติก็ควบคุมจิตได้ง่ายจิตก็เป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็มารู้ความจริงอีกอว่ามันเกิดมันดับไป วิธีที่จะดับพวกนี้ได้ก็ต้องอริยมรรคมีองค์แปดมันก็มาเนี่ยที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละอริยมรรคมีองค์แปดมันไม่ผิดทางมันตรงทางแล้วแต่ทีนี้ถ้าสติเรามันอ่อนน่ะพอเราเนี่ยปฏิบัติน้อยความเพียรเราน้อยเนี่ยไอ้จิตเรามันเร็วอะ่ะมันก็โดดไปนู่นโดดไปนี่จิตก็ไม่อยู่เวลากระทบอารมณ์เราก็ไม่รู้เท่าทันจิตของเรา ที่อักกูสลเิดขึ้นเราก็รู้ไม่ทันมันก็เหมือนเป็นเรามันก็ปรุงแต่งอยู่ในจิตใจวนเวียนอยู่ในจิตใจก็มีน้ำหนักขึ้นที่ใจแล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นที่ใจเนี่ยที่มันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยก็เพราะว่าเราขาดสติขาดสติก็เาความเพียรเราย่อหย่อนเราปฏิบัติน้อยเราใส่ใจน้อยเรารู้เหตุแล้วเราก็พยายามเพียรให้มากขึ้นเนี่ย พยายามเจริญสติให้มากขึ้นถ้าสติเรามากมันก็ควบคุมจิตได้นานจิตที่เล่นรอดออกไปก็ลดลงลดลงสังขารนี่ปรุงแต่งจิตก็ลดลงไปด้วยยิ่งสติควบคุมจิตได้มากเท่าไหร่จิตก็ยิ่งเป็นสมาธิมีความสุขแล้วก็เป็นสมาธิจนตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเรามีสติเนี่ย แต่ละคนเนี่ยมันจะพอรู้นะว่าเออทำยังไงมันี่ตั้งมั่นได้มันจะมีวิธีของตัวเองด้วยนะมันมีช่องทางเนของตัวเองบางคนก็พอดูไปคนอื่นเขาอาจจะดูผมกนเล็บฟันน้ำแต่ตัวเองมีแต่ลมลมมันมามันก็ดูแต่ลมก็ได้ทีแรกก็ตามลมไปก่อนพอลมมันละเอียดลงไปจิตละเอียดลงไปเนี่ยมันก็เกิดความสงบ เกิดสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ยังไม่มีปัญญาคือพักอยู่นิ่งแน่วอยู่โยบางทีเหมือนอยู่ข้างในลึกๆเลยนะวันนั้นใครเล่าให้ฟังว่าเหมือนจิตอยู่ข้างในเขาว่างั้นนะเวลามีเสียงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเสียงเบาอยู่ข้างในโน้นเหมือนไกลแล้วก็เบาจนทั่งจิตคลายออกมามันก็เริ่มรับรู้เสียงภายนอก ค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นอันนี้เขาบอกสภาวะของเขานี่คือมันเป็นสมาธิแต่ยังไม่มีบรญญาพักจิตพักใจอย่างน้อยสังขารที่ปรุงแต่งจิตใจน้อยลงไปแล้วก็รู้ว่าถ้าเขาปฏิบัติต่อไปจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็จะต้องรู้ความจริงผลขการปฏิบัติมันจะบอก อย่างที่ว่านักศึกษามาเขาปฏิบัติน้อยบางคนเฉพาะเวลาที่เข้ามาวัดนี้เท่านั้นนะแต่เขาก็พอเห็นว่าเออจิตเนี่ยอยู่กับตัวเองแล้วก็ไปเนี่ยมันพอๆพอกันเนี่ยบางคนนะนี่คือเขาจับได้มันอยู่บ้างมันไปบ้างพอๆพอกัน ขึ้นอยู่กับกลังของสติบางคนก็บอกโอ้ยมันอยู่น้อยไปมากนี่คือสติเขาอ่อนพอเขาปฏิบัติน้อยแต่ถ้าสติมีกาลังเมื่อไหร่มันก็ควบคุมจิตอยู่ได้นานทีนี้การทำให้จิตตั้งมั่นเนี่ยเพราะบางคนผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยก็คือเพื่อให้จิตตั้งมั่นแล้วก็เพื่อให้มีปัญญามันอันนั้นเป็นช่องทางของคนนั้น ดินน้ำลมไฟก็เพื่อให้จิตญญาาตั้งมั่นเพื่อมีปัญญาอสุภะซากศพอะไรก็เพื่อให้จิตตั้งมั่นเพื่อมีปัญญาดูลมก็เพื่อให้จิตตั้งมั่นมีปัญญาเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นมีปัญญามันไม่อย่างอื่นในะธรรมะของพระเจา้าที่มีปัญญาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าครั้งสองครั้งนะแล้วแต่มันต้องสะสมไปเรื่อย แต่มันได้เห็นว่านี่ก็เกิดดับเนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ไม่ได้ก็ว่าเห็นแค่นี้เข้าใจแค่นี้แล้วหูฉันสบายแล้วมันเห็นแล้วมันเข้าใจแล้วมันรู้แล้วใช่มันถูกอยู่แต่ว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเริ่มต้นเป็นปัญญาญาหรือปัสนาญาหรือปัสนาสมมาธิฏิมันยังมักยังอ่อนๆอยู่แต่ก็ถูกค้างแล้ว เนะี่ยเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่ามันถูกทางแล้วแล้วเราก็ต้องปฏิบัติต่อไปสิแต่มันชัดขึ้นชัดขึ้นแต่จิตมันเห็นเห็นอยู่เรื่อยอะไรโผลมาเออมันมาจากเหตุตจากปัจจัยของมันมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตจะคลายวางออกได้เรื่อยพอมาไปถึงระดับของมันอ่ะอินทรีย์แก่กล้ามันก็ประหารกิเลสได้อันนี้เรียกว่าเป็นโลกุตละมัค นี่อยู่ในจิตถึงว่าพระโสดาบรนบุคคลก็อยู่ที่จิตพระสกิทาคามีบุคคลก็อยู่ที่จิตพระนาคามีบุคคลก็อยู่ที่จิตพระหลานก็อยู่ที่จิต พระซึ่งเป็นผู้ใกลชากิเลสสมมาสมกุฏทัดทาตราตรูโฉกใโดยพระองค์เอง